ทัมมม ม, มสมมสมมสสาาารรกกกคนเราส่วนใหญ่ มักจะพากันเป็นห่วงรักษาความสะอาดภายนอกซึ่งมีร่างกายและเสื้อผ้าเท่านั้นไม่ค่อยจะได้คำนึงถึงความสะอาดทางด้านจิตใจเท่าไหร่นักปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาความสะอาดทางด้านจิตใจให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนามเมื่อจิตใจของมนุษย์ถูกปล่อยทิ้งไว้จนสกปรกเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามากมายกายกอง ปัญหาและความทุกยากจึงได้เกิดขึ้นกับสังคมและบุคคลเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้สิ่งที่จะช่วยชำระล้างจิตใจของมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นั้นก็คือธรรมะธรรมะจะช่วยให้คนได้พบกับความสุขสงบร่มเย็นได้อย่างแท้จริงเหมือนกับเราได้สบู่อย่างดีมาช่วยชำระล้างความทุกข์ออกจากจิตใจของเราทีเดียวผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์ และพบกับความเจริญที่แท้จริงของชีวิตกองทัพธรรมมูลนิธิและมูลนิธิธรรมสันติขอเชิญท่านพบกับบทความชุดสบู่ล้างความทุกข์ดังที่เราจะได้เสนอต่อท่านณนะบัดนี้ ไข้เจ็บก็เป็นเหตุที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้มนุษย์มีความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าโรคของคนเราที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดจากเหตุ4ี่ประการคือ 1. เกิดจากกรรมคือหมายถึงอกุศลกรรมในอดีตที่ใกล้บ้างหรือในอดีตชาติก่อนที่ไกลบ้า ง, ง 2. เกิดจากจิตส เกิดจากอุตุคือความเย็นความร้อ น, อนสี่เกิดจากอาหารการที่เราจะชี้ขาดลงไปว่าโรคอะไรเกิดจากกรรมก็ตัดสินลงไปไม่ถนัดเพียงแต่สันนิษฐานไว้ว่าคนป่วยโดยอุบัติเหตุรักษาไม่หายหรือป่วยด้วยโรคอื่นๆกลายเป็นคนพิการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเจ็บออดออแอดๆอ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อยู่จนตลอดชีวิต โรคบางอย่างที่เป็นแล้วรักษาไม่หายก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของอกุศลกรรมการที่เรายกให้ไปเป็นเรื่องของอกุศลกรรมก็เพราะว่าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญยูผู้รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงยิ่งกว่าผู้อื่นทั้งหมดทำให้เราสบายใจไม่ต้องไปนั่งกลุ้มใจเสียใจน้อยใจว่าโชคร้ายอยู่คนเดียว คนอื่นเขาไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยกันเพราะว่าบางคนก็ร่างกายแข็งแรงสบายดีไม่ค่อยจะเป็นอะไรนานๆจึงจะเจ็บเสียครั้งหนึ่งส่วนเรานี้เจ็บไข่ยอยู่เรื่อยๆต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถึงเราจะยอมรับว่าในชาติก่อนๆเราได้เคยสร้างอากุศลกรรมไว้มาชาตินี้เราจะต้องได้รับผลกรรมที่ได้กระทาไว้ ส่วนโลกที่เกิดจากจิตก็เนื่องมาจากเกิดความวิตกทุกร้อนหนักใจกังวลใจหรือฟุ้งซ่านอยู่เสมอห่วงใ ย, ยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไปความห่วงใ ย, ยนี้เองที่ทำให้จิตใจไม่ดีไม่สงบฟุ้งซ่านมากความโกรธหรือความลิสยาอาฆาตรุนแรงก็ทำให้คนดีๆกลายเป็นคนป่วยไปได้เพราะจิตเป็นอกุศล ขณะที่คิดอย่างนั้นจิตที่คุณมัวเศร้าหมองด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นถือว่าจิตเป็นอกุศลอกุศลก็สร้างรูปสร้างรูปให้ร่างกายไปในทางไม่ดีเช่นหน้าตาไม่ผ่องใสเหี่ยวแห้งนี่เราจะสังเกตได้ว่าขณะใดที่ใจเรามีจิตใจไปในทางอากุศลหน้าตาก็ไม่ผ่องใสหน้าดำํำขาเครียดทําให้ทุดโทรมไปจนกระทั่งถึงร่างกายด้วย ความร้อนจัดหนาวจัดก็ทำให้ป่วยได้นี่เป็นการป่วยโดยอุตุป่วยเพราะอาหารเช่นกินมากเกินไปกินอาหารไม่ถูกกับร่างกายหรือสกปรกกินอาหารไม่ถูกต้องตามส่วนที่ร่า ง, างกายต้องการในวันหนึ่งหนึ่งทำให้ขาดอาหารก็ทำให้ป่วยได้เช่นกันตามหลักพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าการป่วยของคนเรา เกิดจากสมุทรฐานสี่อย่างดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็ควรพิจารณาการป่วยว่าเกิดจากสมุทรฐานใดในสี่อย่างนี้เราอาจจะพิจารณาได้จากการคอยสังเกตดูดเมื่อเราสังเกตอยู่เสมอได้ความแม่ชัดแล้วเราก็ปฏิบัติตนแก้ไขอาการของโรคได้อย่างถูกต้องทำให้โรคหายเร็วขึ้นหรือค่อยๆทุราลงไดมากบ้าง น้อยบ้างตามสมควรดังเช่นมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งป่วยจนเรียนหนังสือไม่ได้ทั้งทั้งที่ผู้ปกครองก็มั่งมีรักษาหมอจนเกือบจะทั่วก็ไม่หายหมอบอกไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไรในที่สุดข้าพเจ้าก็เลยทดลองดูเพราะคิดว่าโรคเหล่านี้หมอบอกไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไรแน่อาจจะป่วยมาจากกรรมเก่าก็ได้เกิดจากอากุศลกรรม ที่ได้ทําไว้ในชาติก่อนลองมาใช้วิธีให้เขารักษาสินห้าให้เขาทําบุญวันเกิดทุกๆเดือนได้พยายามเอาธรรมะไปคุยให้ฟังทุกวันเพื่อทําจิตใจให้เป็นกุศลเสมอๆให้มากขึ้นมากขึ้ น, นสรุปได้ความว่าเราพยายามเอากุศลเข้าไปรักษาเพราะเราเข้าใจว่าที่ทป่วยมานี้เกิดจากผลของอกุศ ล, ลกรรมเก่าก็เลยใช้ทางกุศลมารักษา เพราะว่ารักษาทางอื่นไม่หายแล้วในเมื่อหมดหวังแล้วก็เลยลองดูรู้สึกว่าได้ผลมากเด็กคนนั้นค่อยๆดีขึ้นจนในที่สุดก็เรียนหนังสือได้ทําสิ่งต่างๆได้เกือบจะเท่ากับคนที่แข็งแรงทั่วๆไปเมื่อเวลาเขาป่วยเขาป่วยหนักมากคิดว่าจะไม่รอดก็เลยลองเสี่ยงดูถ้าเขารอดไปได้ก็ดีถึงแม้เขาจะตาย ก็จะได้บุญกุศลติดไปในชาติหน้าบ้างเพราะว่าคนเร า, เ, ราเมื่อใกล้จะตายถ้ามีจิตใจเป็นกุศลอยู่ก็จะได้ไปเกิดในที่ดีอย่างนี้พอจะลงความเห็นได้ว่าเด็กคนนี้ป่วยเพราะกรรมป่วยเพราะอากุศลกรรมทีนี้เราใช้กุศลกรรมใหม่เข้าไปประคับประคองไว้ช่วยกัน้นกางอากุศลกรรมเก่าที่จะมาให้ผลมากก็เลยกลายเป็นเบาบางไปจนเกือบหมด การป่วยเพราะกรรมก็เนื่องจากว่าได้ทำบาปไว้มากเช่นเมื่อเด็กๆชอบทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดได้รับความลาบากชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาจากชาติก่อนและชาตินี้ผลของกรรมที่ได้เคยทำไว้ทำให้ต้องเป็นคนมีโรคมากวิธีแก้ต้องแก้ที่จิตรักษาจิตให้เป็นกุศลเสมอๆมีการบริจาคทาน รักษาศีลฟังธรรมศึกษาธรรมและแผ่เมตตากุศลจิตเหล่านี้จะคุ้มกันไม่ให้อกุศลกรรมเก่าที่ได้ทํามาแล้วส่งผลได้เต็มที่และป้องกันไม่ให้อกุศลกรรมใหม่เกิดขึ้นด้วยช่วย ห, หายจากโรคต่างๆหรือทําให้หนักกลายเป็นเบาได้อย่างแน่นอน ส่วนเรื่องป่วยทางจิตอันเกิดมาจากความอาฆาตลิสยาทุกข์เดือดร้อนกลัววิตกกังวลต่างๆความรู้สึกเหล่านี้ถ้ามีมากๆเสมอๆจะรบกวนคนป่วยน้อยเพิ่มให้ป่วยมากขึ้นหรือทำให้คนดีๆกลายเป็นคนป่วยได้บางทีเราก็เรียกว่าโรคอุปปาทานคือส่งความรู้สึกนึกคิด ที่ไม่ดีเข้าไปยึดอยู่ในจิตใจของคนบางคนเห็นใครเขาป่วยกันตัวเองก็เก็บเอามานึกมาเทียบเคียงกับตนเองแล้วนึกเอาว่าตนก็เป็นอย่างเขาบ้างคนบางคนเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้ยินผู้ใหญ่ด้วยกันเล่าว่าชายคนหนึ่งเดินไปในที่มืดเผอิญเหยียบกลาเข้าก็เจาะเท้าเป็นแผลแต่แล้ว เข้าใจว่างูกัดกลับมาบ้านมีอาการเหมือนงูกัดทีเดียวเช่นมีอาการบิดตัวและเจ็บปวดมากมายเมื่อคนในบ้านเอาไฟไปส่องดูว่าจะเป็นงูชนิดใดก็ไปพบเชือกกับกระลาแหลมๆเขา้าเขาก็เอามาให้ดูพอรู้ว่าเป็นเชือกไม่ใช่งูคนป่วยก็หายทันทีหายเป็นปลิดทิ้งนี่โรคอุปทานเป็นอย่างนี้ เกิดมาจากจิตนี่เองเข้าไปยึดมั่นคอยกลัวไปเสียก่อนเลยกลายเป็นไปได้ทําให้ร่างกายมีความรู้สึกเป็นคนป่วยไปด้วยวิธีป้องกันหรือวิธีแก้ถ้าความเจ็บไข้ไม่สบายเกิดขึ้นท่านก็มีหน้าที่หาหมอรักษาเท่านั้นไม่ต้องวิตกกังวลห่วงใยในความไม่สบายพยายามอย่าให้ใจเกิดกังวลเกิดวิตกห่วงใย และต้องมีความเชื่อมั่นว่าอันความห่วงใยหนักใจไม่ช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นนี่เราต้องเชื่อเพราะเป็นของแน่นอนแนะนำไปใช้ได้ทุกกรณีว่าความวิตกความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นถ้าเราควบคุมจิตใจได้ดังนี้ความสงบนั้นจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นใจสงบเป็นเหตุให้เกิดปัญญา มีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆโดยถูกต้องได้ดียิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าความเสื่อมลาบเสื่อมยศเป็นของเล็กน้อยแต่ปัญญาเสื่อมเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงลองคิดดูการที่เราเดือดร้อนเป็นทุกข์กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ช่วยให้อะไรดีขึ้นไหมไม่มีเลยมีแต่กลับซ้ำทาให้โรคกาเริบมากขึ้น พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงคือทั้งกายทั้งใจจิตเหนือโลกจิตนำโลก<ร>ก็ได้แก่ขันทั้งห้าของเรานี่แหละข้อสำคัญต้องหมั่นพิจารณาสังเกตดูความรู้สึกนึกคิดของตอนเองอยู่เป็นวิจตามความเป็นจริงอย่าได้เข้ากับตนเองจะผิดหรือถูกตรงกับความรู้สึก ความดีความชั่วของตอนเองให้รู้อยู่เสมอคือเมื่อเรามีความรู้สึกนึกคิดไปในทางดีเราก็รู้ให้ถูกและเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดไปในทางชั่วเราก็ต้องรู้ให้ถูกเรียกว่าเตือนตัวเองหรือติตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจงเตือนตนด้วยตนเองเวลาเราทำไม่ดีเราก็พิจารณาดูคอยติเตียนตนเองให้ดีกว่า ให้คนอื่นเข้ามาติเพราะถ้าคนอื่นเตือนเราเราอาจจะไม่เชื่อหรือบางทีเขาอาจจะไม่กล้าเตือนเราความคิดของเราเราเป็นผู้รู้ก่อนเราก็เตือนตนเองเสียก่อนนี่พูดถึงวิธีรักษาจิตใจเมื่อเราติเตียนตนเองได้แล้วเราก็ไม่ค่อยจะไปนึกโกรธคนอื่นเขาเราก็รู้สึกตัวว่าทําไม่ดีต่อไปเราจะคิดให้ดีขึ้น นี่เป็นความรู้สึกที่ดีถ้าเราพิจารณาจิตใจอยู่อย่างนี้จะช่วยให้โรคต่างๆเบาบางลงไปมากแทนที่จะกําเริบขึ้นก็ถ้ า, ถาคิดไม่ดีหรือว่าเข้ากับตัวเองเที่ยวโกรธคนนั้นโกรธคนนี้มันก็จะกลับซ้ำเติมทำให้โรค ก, กําเริบ ม, มากขึ้นเท่ากับกินของแสลงทางใจใ จ, ใจที่เข้มแข็งเยือกเย็นเป็นกุศลเท่านั้น จะเป็นพุทธโอสถรักษาทางใจให้ดีขึ้นมากส่วนยาก็มีหน้าที่รักษาทางกายธรรมะรักษาทางใจก็จะได้เปรียบคนที่กายป่วยแต่ไม่ควบคุมจิตใจคนที่ชอบปล่อยให้จิตใจเป็นห่วงทุกร้อนในโรคภัยไข้เจ็บมากๆอย่างนี้ทําให้หมอรักษายากเพราะว่าคนไข้ใจไม่สงบวิตกทุกร้อนต่างๆหมอ วางยาก็ได้ผลน้อยถ้าคนไข้มีจิตใจเข้มแข็งไม่วิตกกังวลในสิ่งใดๆทั้งหมดยาของหมอก็ได้ผลดีขึ้นช่วยหมอได้มากทีเดียวถึงแม้ปัจจุบันนี้ในบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือบรรดาในแพทย์ก็ยอมรับว่าจิตใจคนสำคัญมากอาจ<า>จะทำให้ดีหรือเลวในหลายๆกรณีได้มากทีเดียวไปได้ทุกๆ ท, ทาง จะทำให้เป็นคนดีหรือคนเลวแม้แต่ในทางป่วยไข้จิตใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากวิธีที่ดีที่สุดจงวางใจให้เป็นกลางยอมรับโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างเราหนีไม่พน้นทั้งที่เราพยายามแก้ไขแต่ไม่ใช่ว่ายอมรับเฉยเฉยด้วยปล่อยไปตามเรื่องไม่เอาใจใส่ไม่สนใจไม่ใช่เช่นนั้น ยอมรับก็จริงแต่ว่าพยายามแก้ไขด้วยแก้ไขไปด้วยใจอันสบายและยอมรับว่าจะเป็นยังไงก็เป็นไปเราทำดีที่สุดแล้วไม่หนักอกนักใจอะไรต้องคิดสิว่าไม่มีใครในโลกนี้หรือโลกไหนๆที่จะบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความต้องการได้เสมอไป ส่วนการป่วยจากอุตุสมุทฐานอาหารสมุตรฐานรักษาป้องกันไปตามอาการของโรคนั้นๆมนุษย์เราสามารถต่อสู้กับความป่วยต่างๆได้มากพอสมควรอาจจะเอาชนะโรคภัยต่างๆที่เกิดจากร่างกายถ้าเรารู้จักฝึกพลังทางจิตและทางร่างกายถ้ามีพลังจิต ด, ดีเช่นทำจิตให้เข้มแข็งต่อสู้กับโรคภัย ก็จะกระตุ้นพลังทางร่างกายให้พลอยเข้มแข็งไปด้วยความป่วยไข้ที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทางกายอย่างเดียวเท่านั้นและถ้ า, ถาควบคุมจิตใจให้ดีก็จะช่วยให้ความป่วยทางร่างกายหายเร็วขึ้นแต่คนส่วนมากพอกายป่วยก็มักเอาใจไปมีส่วนร่วมเป็นทุกข์ด้วยทุกครั้งฉะนั้นเวลากายป่วยใจก็พลอยป่วยไปด้วย ถ้ากายป่วยน้อยแต่ใจเข้าไปร่วมด้วยเลยกลายเป็นป่วยมากถ้ากายป่วยมากก็ทําให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกจ น, จนสุดวิสั ย, ยที่แพทย์จะแก้ไขได้ทางที่ถูกก็ควรต้องหักแยกกายและใจออกเป็นคนละส่วนกายก็อยู่ส่วนกายใจก็อยู่ส่วนใจรักษาใจให้สดชื่นร่าเริงใจที่สดชื่นร่าเริงนั้น ควรจะให้สดชื่นร่าเริงในคุณงามความดีหรือในทางกุศลเป็นดีที่สุดจะสดชื่นราเริงในทางโรคมากๆก็พอใช้ได้แต่ยังไม่ดีที่สุดเพราะดีชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองคนบางคนกำลังป่วยหนักลูกหลานก็ไปอยู่ต่างประเทศพอลูกหลานกลับมาความดีใจได้เห็นหน้าทำให้เกือบจะหายจากโรค กระพี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นมาได้ทันทีแต่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นในด้านทางโรคก็ดีเป็นประโยชน์ได้บ้างแต่ไม่ดีที่สุดถ้าใจสดชื่นราเริงอยู่กับจิตที่เป็นกุศลกับอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่เสมอเสมอเช่นมีการให้ทานหรือรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติสมถวิปัสนาจิตใจเหล่านั้นย่อมไม่มีห่วง ไม่มีกังวลกิเลสเบาบางนี่เป็นการที่จะทำให้ใจดีที่สุดและระงับยับยัง้งอกติศุลกรรมเก่าให้เบาบางลงบางทีก็อาจจะต้องหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากเราจะต้องหายและหาความเพลิดเพลินทางใจในทางที่ถูกที่ดีหรือในทางที่เป็นบุญกุศลไม่เป็นทุกข์ถึงอาการป่วยหรือยอมให้ทุกอื่ น, นเข้ามาครองใจ เพราะความทุกข์ทางกายเมื่อมีอยู่แล้วก็ไม่ควรปล่อยให้ทุกข์ทางใจเข้ามาเพิ่มยิ่งขึ้นจะเป็นการขัดกันกับการรักษาของทางแพทย์และทำให้หายได้ยากขึ้นด้วยคนป่วยควรจะคิดว่าถ้าโรคนั้นรักษาให้หายก็ดีถ้าไม่อาจรักษาให้หายได้ก็อย่าไปเกรงกลัวหรือไปทุกข์ไปร้อนต้องหัดให้ได้อย่าเป็นทุกข์ ขอย้ำอีกครั้งว่าความทุกข์ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยมีแต่จะทำให้เร็วลงทั้งทางร่างกายและจิตใจกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเสียทั้งการงานและสมองก็จะเสื่อมนี่ว่าถึงคนดีๆเมื่อมีความทุกข์ทางใจมากก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเสียการเสียงานหรืออาจจะทำให้ร้มป่วยได้ ถ้าใครปล่อยให้ใจหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์ซึ่งต่างๆเหล่านี้ได้สังหารคนมานับไม่ถ้วนเช่นสังหารชีวิตหรือทําลายสุขภาพทางจิตทําลายสุขภาพทางกายหรือทําลายคุณงามความดีทําให้เสียการงานถ้าได้ทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดดีแล้วต่อไปท่านก็จะไม่เก็บเอาเรื่องทุกข์เล็กๆน้อยๆเอามาผูกพันกับจิตใจไว้ เ, เท่ากับเอาทุกนั้นมารักษามาทําให้เจริญงอกงามจนกลายเป็นทุก์ใหญ่โตไปได้พูดกันในแง่ของจิตใจความทุกส่วนมากย่อมขึ้นกับตัวเราเองเราจะทุกขหรือไม่ทุกข์ก็แล้วแต่ตัวของเราถ้าเราไม่เก็บเอาความทุกมายึดถือว่าเป็นของเราถึงทุกขนั้นจะมีก็ทําอะไรเราไม่ได้ข้อสําคัญ ต้องคอยมันฝึกจิตใจให้นึกถึงแต่ในแง่ดีของเรื่องราวต่างๆซึ่งเราหนีไม่พ้นให้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่หนีไม่พ้นหรือสุดวิสัยที่จะแก้ไขก็ต้องรับสถานการณ์นั้นๆด้วยความพอใจเช่นอะไรที่ได้เสียไปแล้วหรือกำลังจะเสียไปโดยไม่มีทางแก้ก็จงกลับมานึกยินดีในสิ่งที่เหลืออยู่อย่าไปมัวคร่าครวญหวนหา ถึงสิ่งที่เราเอาไว้ไม่อยู่ขาดทุนาทุนไปเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์เสียเวลาถึงอย่างไรก็เอากลับคืนไม่ได้มีหนําซ้ําจะทําให้สิ่งที่ยังเหลืออยู่ต้องสูญเสียซ้ําลงไปอีกเพราะมัวเอาใจไปหมกมุ่นกับสิ่งที่เสียไปแล้วและแก้ไขไม่ได้ทําให้ความคิดดีๆของเราต้องสูญไปด้วยตามธรรมดาคนทั่วๆไปกายกับใจย่อมสัมพันธ์ติดต่อกันอยู่ ถึงกับมีผู้พยายามหาทางแยกกายกับใจออกเสียจากกันคนเรามีความคิดมากเกินไปก็เป็นโรคประสาทได้ง่ายทางที่ถูกเราควรตรองดูว่าเรื่องที่เราคิดมีประโยชน์หรือว่าจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่มีประโยชน์หรือไม่จำเป็นจะต้องคิดก็หัดหยุดคิดเสียให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องแก้ไข และต่อสู้ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยตัวเองถ้าสามัญสำนึกบอกว่าสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่นี้จะคงอยู่ในรูปนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ก็อย่าปล่อยใจให้ตกจมอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์นั้นเป็นอันขาดจงพยายามลืมลืมให้มากที่สุดโดยพาเรื่องอื่นที่มีประโยชน์มาคิดอย่าให้ใจอยู่ว่างได้เพื่อจะได้เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ ให้ใจว่างพ้นจากสิ่งกังวลเดือดร้อนยิ่งหาอารมณ์ที่เป็นกุศลมาคิดได้บ่อยๆเช่นทําให้จิตใจสงบนิ่งเป็นสมาธิอารมณ์ที่จะให้เกิดสมาธิเช่นภาวนาว่าพุโทโธอรหังก็เป็นเรื่องของสมถะอย่างหนึ่งเป็นกุศลจะช่วยให้สถานการณ์ที่กําลังเลวร้ายเบาบางลงความเดือดร้อนต่างๆเป็นด้วยผลของ อกุศลซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าเราทำไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทางที่ดีที่สุดเราต้องสร้างจิตใจให้เป็นกุศลอยู่เสม อ, อยัางได้อย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบอันมีฐานศีลภาวนาเป็นต้นกุศลเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลเป็นสุขในเวลาข้างหน้าโดยแน่นอนอย่าคิดว่าความโกรธเคืองหรือความเสียใจจะทาให้เกิดผลดี อย่าบำรุงรักษาความเสียใจความขุนแค้นข่มขืนไว้ด้วยราคาอันแพงโดยการแลกเปลี่ยนกับความสุขที่จะต้องเสียไปในระหว่างนั้นโดยใช่เหตุความสุขของเราเสียไปแล้วแต่เรามาบำรุงรักษาความเสียดายความขุนแค้นอะไรต่างๆนี่แหละถือว่าราคาแพงทำให้ความสุขของเราเสียไปอีกแทนที่จะได้สุขก็กลายเป็นกอดทุกข์มากขึ้น จงชำระล้างความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลชีวิตของคนเราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์ย่อมขึ้นอยู่กับความคิดของตอนเองเป็นส่วนมาก จิตใจนั่นเองแหละเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาจากจิตใจเป็นเบื้องตน้นจงหัดบังคับจิตใจให้มีอำนาจเหนือร่างกายเมื่อจิตใจมีอำนาจเหนือร่างกายแล้วโรคต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมีจิตเป็นสมุดฐานก็จะหายได้โรคที่เกิดจากสมุดฐานอื่นๆก็พลอยเบาบางลงหรือหายไปด้วยเพราะคนเรา ถึงจะป่วยด้วยสมุทฐานอื่นๆก็ตามจิตจะต้องเข้าไปมีความวิตกหวาดกลัวด้วยเสมอจะทำให้โรคอื่นซึ่งเกิดจากสมุทฐานอื่นๆกำเริบต้องเสียเวลารักษาไปเป็นแรมปีเสียเงินมากเสียการงานหรือบางทีอาจจะทำให้เสียชีวิตได้บางคนหายจากโรคที่เกิดจากสมุทรฐานอื่นๆแล้วแต่โรคอันเกิดจากจิตยังไม่หายจิตยังกลัวยังหวาดระแวงไปว่า จะเป็นนี้เป็นนั่นต่อไปอีกเลยกลายเป็นคนอ่อนแอทำอะไรไม่ได้กลับมาเป็นอุปสรรคต่อการงานหน้าที่ของตนโรคมีอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเพราะความตายไม่มีใครจะขัดขวางได้แต่ในเมื่อยังไม่ถึงความตายเราจะนั่งนอนรอความตายงอมืองอเท้าโดยไม่คิดต่อสู้ทีเดียวหรือ ประเภทที่สองรักษาข้อหายไม่รักษาข้อหายอีกประเภทหนึ่งรักษาข้อหายไม่รักษาก็ตายแต่ทุกๆประเภทก็ได้ฆ่าคนหรือทำร้ายคนมาเสียมากต่อมากเพราะคนไข้มีความหวาดพิตกทุกร้อนจนเกินไปทำให้โรคเล็กน้อยกําเริบซึ่งเปิดโอกาสให้โรคอื่นๆแทรกได้ต้องมีสุภาพสตรีผู้หนึ่งมีอาการเจ็บในท้องน้อย แต่ไม่กล้าไปให้หมอตรวจกลัวหมอจะบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเพราะตนเองเข้าใจว่าเป็นโรคมะเร็งต้องทนอยู่กับความหวาดกลัวอย่างรุนแรงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตาซีดเซียวผ่ายผอมลงไปมากเหมือนคนป่วยข้าพเจ้าต้องพูดให้กำลังใจจนยอมไปหาหมอเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่ถึงแม้จะเป็นมะเร็งถ้าอย่างเป็นน้อย ก็พอที่จะรักษาให้หายได้อาจจะพอมีทางแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรและไม่ได้รักษาเลยโรคนั้นก็จะไม่ต้องมีทางหายมีแต่รอความตายอย่างเดียวเมื่อหมอตรวจดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นรายแรงอย่างที่คิดไว้ก็ได้ดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่กับความทุกข์ทรมานทางใจในที่สุดสุภาพสตีนั้นก็พลอเห็นจริงไปด้วย ไปให้หมอตรวจก็ได้ความจริงว่าเป็นเพียงอวัยวะภายในอักเสบรักษาไม่กี่วันก็หายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็กินได้นอนหลับกลับอ้วนท้วนแจ่มใสดังเดิมก่อนที่จะรู้ว่าเป็นโรคอะไรนั้นเธอกลัวสิจน้ำหนักตัวลดลงไปหลายกิโลกรัมจิตใจก็เร่าร้อนมีอาการเหมือนกับคนที่เป็นโรคมะเร็งจริงๆเพราะไปยึดถือมีอุปทานว่าเราจะต้องเป็นโรคมะเร็ง ถ้าหมอตรวจพบว่าเป็นจริ ง, เ, รงเธอคงจะต้อ ง, ต, องตายเสียก่อนที่อาการของโรคจะกำเริบตายด้วยความหวาดกลัว<ถ>เพราะใจป่วยมากกว่า ก, กายหรือใจป่วยไปก่อนกาย คนบางคนชอบคิดล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความรักตั ว, ก, ตวกลัวตายมากเกินไปหรืออาจจะรักใครๆมากเกินไปก็เลยเป็นทุกข์มากอย่าท้อใจหรือคิดว่ามันยากเราคงจะทำไม่ได้ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยสิ่งไรที่ยังไม่ได้หัดยังไม่เคยทา ก็จะรู้สึกลำบากในตอนแรกๆ แ, แต่พอฝืนใจทำต่อไปจึงเกิดความเคยชินก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่แนะนำให้หัดทำใ จ, ำใจรักษาใ จ, ใจอย่าคิดว่าทำยากหรือทำไม่ได้ต้องพยายามฝืนใจหัดไปพอเป็นแล้วก็จะไม่ใช่เรื่องยากยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้กล่าวเกริ่นไว้เล็กน้อยแล้วตั้งแต่ต้นว่า เรื่องของความรักจะเป็นรักตนเองมากเกินไปหรือรักใครๆรักลูกรักหลานญาติพี่น้องหรือทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของต่างๆมากเกินไปนี่ก็ทําให้เราเป็นทุกข์พอป่วยรู้สึกว่าป่วยมากก็เป็นทุกข์เพราะกลัวจะตายจะต้องพลัดพากจากสิ่งที่รักเกิดมีความห่วงใ ย, ยวิตกมีความกังวลเหล่านี้แหละล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เป็นความจริงที่ไม่มีใครจะเถียงได้ยิ่งรักมากก็ยิ่งเป็นทุกมากมีรักหนึ่งก็มีทุกหนึ่งมีรักสองก็มีทุกสองถ้ามีรักถึงร้อยก็จะมีทุกข์ถึงร้อยคนที่มีลูกหลานพวกร้องทรัพย์สมบัติมากเวลาใกล้จะตายจะมีทุกขมากที่สุด พะรู้สึกว่าตัวเองจะต้องตายจะต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้จะมีทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีอะไรหรือไม่ต้องห่วงใ ย, ยใครถ้าไม่มีรักเลยก็จะไม่มีทุกข์เลยความทุกข์เป็นยาพิษอย่าหวังในสิ่งที่ไม่อาจจะสมหวังจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความหวังเป็นของดีแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่งซึ่งเราหวังนั้น จะได้สมประสงค์หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะเกิดทุกข์เมื่อผิดหวังจงสละความหวังชนิดที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ออกจากใจให้มากที่สุดพึงยอมรับว่าสิ่งที่เรากําลังมีอยู่นี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแม้สิ่งนั้นๆจะไม่ตรงกับความประสงค์ของเราก็ตามตามที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นถ้าสรุปแล้วจะได้ใจความว่า รักษาใจให้สดชื่นร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอโดยการฝึกฝนให้เข้าใจในคำสอนในทางพระพุทธศาสนาความรู้อย่างนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราให้ถูกต้องยังทำให้ความยึดถือตัวตนคลายออกไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ฝืนจากความเป็นจริงซึ่งเป็นเครื่องก่อให้เกิดความท คนที่ชอบสะสมทุกนั้นแม้ไม่ใช่ทุกของตนเองก็ยังเที่ยวอุตสาเที่ยวเก็บเอาทุกของคนอื่นมาวุ่นวายเป็นของตนจนหาความสงบไม่ได้ความสงบเป็นเครื่องอุปัรรมชีวิตให้สมบูรณ์ได้บ้างชีวิตใดที่ไร้ความสงบถึงแม้จะสมบูรณ์ได้ราบยศก็จะไร้ประโยชน์กับตนเองกลายเป็นให้โทษด้วยเหตุทุกเหล่านี้เป็นเครื่องบันทอนสุขภาพ ทั้งร่างกายจิตใจให้เสื่อมไปนอกจากนี้ก็จะพาให้อายุสั้นจงพยายามป้องกันอย่าสร้างเหตุให้เกิดผลเป็นความทุกข์เพราะผลทั้งหลายนี้ต้องมาจากเหตุทั้งนั้นก่อนจะทำอะไรควรที่จะนึกถึงผลที่จะได้รับเสียให้รอบคอบเสียก่อนเทียบเคียงผลได้ผลเสียดูให้ดีแล้วจึงทำลงไปเพราะส่วนมากเราจะทาอะไร ทำเหตุไม่ค่อยจะคํานึงถึงผลเสียนึกถึงแต่ผลได้ข้างเดียวทําไปตามความต้องการของกิเลสเพราะปล่อยใจให้ตกเป็นทาตของกิเลสเมื่อทําไปแล้วเกิดผลเสียที่หลังเพราะไม่พิจารณาถึงผลเสียให้รอบคอบก่อนทําก็ย่อมผิดพลาดเกิดเป็นทุกข์เสียใจในภายหลังทุกข์ในที่นี้ก็หมายถึงทุกข์โดยเผลอๆที่ทุกคนเห็นได้ง่ายและทุกคนพากันกลัว พยายามหลีกหนีเช่นทุกข์ที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาทุกขที่ต้องการสิ่งใดแล้วไม่สมประสงค์หรือว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นจากประสบกับอารมณ์อันเป็นที่ไม่พอใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทุกข์ที่ปกปิดถึงขั้นสูงถึงทุกอริยสัจซึ่งคนส่วนมากมองไม่เห็นจึงไม่กลัวและพากันแสวงหาทุก ปกปิดอันคือทุกอริยสัจเหล่านี้กันอยู่เป็นนิจสินโดยหลงผิดไปว่าเป็นของดีพุทุชนยังต้องการความสุขแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสุขที่ยังยืนที่แท้จริงเพราะความสุขชนิดนั้นยังสูงสุดเอื้อมที่เขาจะเข้าไปรู้ถึงจึงสร้างเหตุเพื่อหาความสุขโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อได้คอยระวังไม่สร้างเหตุที่จะเป็นผลให้เป็นทุกข์และถ้ามีทุกข์อะไรมาก็ไม่ยึดถือไว้เป็นเรื่องจริงจังอะไรจนเกินไปก็พอจะหาความสุขได้โดยธรรมดาของชาวโลก ค, ความสุขที่ได้พูดมาแล้วนี้ก็คือมีทุกน้อยนั่นเองซึ่งชาวโลกถือกันว่าเป็นความสุขทุกเหล่านี้เป็นเพียงผิวเผินเราพอจะแก้ไขได้ ถ้าเราแก้ไขกันไปตามเท่าที่ทำได้ด้วยการไม่ยึดถืออะไรให้มากนักอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ควรจะยอมรับด้วยความพอใจถ้าใครมีอินทรีย์พระที่แก่กล้าจนสามารถตัดต้นตอของตัณหาออกได้ทุกทั้งหลายก็จะดับไปมีธาตุอันเป็นชรามรณะเป็นต้นถ้าไม่ปล่อยใจให้มีทุกข์ทำใจให้เป็นสุขอยู่เสมอ ท่านก็สามารถที่จะต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้มากที่สุดเมื่อได้พูดถึงเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เห็นควรจะพูดถึงเรื่องความตายสักเล็กน้อยพอที่จะเป็นเข้าเงื่อนให้ท่านลองคิดพิจาราดูเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็จะต้องตายไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ เหตุใดจึงไม่ค่อยมีใครนึกถึงหรือเป็นห่วงเรื่องตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเท่าที่ได้ใช้ความสังเกตดูในบรรดาผู้ที่ขพเจ้านิยมยกย่องว่าเป็นคนดีพร้อมสมกับที่จะใช้คำว่าเป็นผู้ดีคือดีทั้งกริยาวาจาแล้วจะไปเกิดที่ไหนเท่าที่ได้ใช้ความสังเกตดูในบรรดาผู้ที่ขเจ้านิยมยกย่องว่าเป็นคนดีพร้อม สมกับที่จะใช้คำว่าเป็นผู้ดีคือดีทั้งกริยาวาจาอุปนิสัยใจคอท่านเหล่านี้ล้วนเป็นญาติมิตรและคนที่รู้จักที่สนิทและไม่สนิทในฝ่ายทางโลกท่านเป็นคนดีหาได้ยากในสังคมสมัยปัจจุบันนี้และข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าท่านยังขาดสิ่งที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งและสิ่งสาคัญนี้ ก็จะเป็นประโยชน์แก่แต่ละท่านซึ่งสำคัญกว่าประโยชน์อื่นๆในทางโลกทำให้รู้สึกเสียดายและเป็นห่วงที่ต่างพากันหลงเพลิดเพลินติดอยู่ในความสุขในทางมีราบยศสรรเสริญและความสุขความมีเกียริเหล่านี้อย่างนับว่าท่านยังหลงตนเองว่าเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาท่านรู้แล้วหรือว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้อย่างไรบ้าง สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็ไม่มีใครที่จะสนใจพยายามศึกษาว่าพระพุทธศาสนาที่ตนนับถืออยู่นั้นสอนลึกซึ้งยิ่งกว่าที่รู้ๆกันอย่างผิวเผินเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้รู้เรื่องตายเรื่องเกิดหรืออย่างไรบ้างและในชีวิตนี้ควรจะทาอย่างไรเมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดในที่ดี ในชาติต่อไปเพราะทุกคนจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีอะไรจะมีเหนี่ยวรั้งห้ามปรามไว้ได้หากว่ากิเลสยังมีเหลืออยู่จะอยู่มากหรือจะอยู่น้อยหนักหรือเบาก็จะต้องไปเกิดอีกอย่างแน่นอน ตายเปรียบเสมือนเราจะต้องตกน้ําอันเป็นแม่น้ําที่น่ากลัวน่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งเป็นวังวนที่มองไม่เห็นฝั่งคือสุขติและไม่มีเครื่องหมายบอกให้ว่าจะต้องตายวันไหนเวลาไหนเมื่ อ, อไหร่และที่ใดท่านเคยคิดบ้างไหมว่าจะต้องหัดว่ายน้ําให้เป็นไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาตกน้ําจะได้ไม่จมน้ํา หรือท่านจะเอาไว้หัดว่ายน้ำตอนตกน้ำเพราะอากุศลเป็นของหนักทวงให้จมกุศลเป็นพลังเหนียวรั้งให้ขึ้นเหนือน้ำขอให้หยุดคิดดูสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยของท่านเองพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าในเวลาใกล้จะตายถ้าจิตนี้เศร้าหมองด้วยกิเลสแม้จะเพียงเล็กน้อยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องไปเกิดในทุกขติคําว่าทุกขติหมายถึงในที่ที่ไม่ดีคําว่าคติหมายถึงที่ไปไปดีก็เรียกว่าไปสุขติไปเกิดไม่ดีก็เรียกว่าทุกขติคติมีอยู่5ประการรวมทั้งคติที่ดีและไม่ดีอย่างทุกขติก็มีคือ 1. นึ่ิยรยคติ 2. เปตตากติ 3. าติรัชานคติ นี่เป็นที่ที่ไม่ดีส่วนสุขติก็หมายถึงมนุษย์ยคติและเทวคติมีบาลีรับรองไว้ด้วยว่าผู้ใกล้จะตายจะมีคำว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาหมายความว่าจิต ท, ที่เศร้าหมองด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อตายก็จะต้องไ ป, ไปทุขติโดยไม่ต้องสงสัย จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาจิตที่ไม่เศร้าหมองจิตที่ผ่องใสด้วยอํานาจของกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไปเกิดในสุขติอย่างไม่ต้องสงสัยแต่กิเลสก็มีประจําอยู่ในใจของเราท่านทุกๆคนท่านรู้จักหน้าตาการงานของกิเลสอย่างดีแล้วหรือยังทั้งๆ ท, ที่กิเลสเหล่านี้มีอยู่ที่กายวาจาใจ ถ้ากีเดตมีกำลังมากก็จะรู้ได้ง่ายเพราะว่าแสดงออกมาทางกายวาจาแต่ถ้ากีเดตมีกำลังน้อยหรือมีกำลังนิดหน่อยไม่แสดงออกมาทางกายวาจาอยู่เพียงในใจอาจจะหลงผิดเข้ากับตัวเองว่าท่านไม่มีกีเดตก็ได้กีเดตนี่แหละในเวลาที่ใกล้จะตายแม้มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเป็นตัวนาส่ง ให้ไปเกิดในทุกติถ้ากําลังจะตายจิตใจผ่องใสอยู่ด้วยกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นนับว่าไม่มีกิเลสเพราะว่ากิเลสเป็นอกุศล เ, เกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลถ้าขณะใดที่จิตเป็นกุศลกิเลสก็เกิดไม่ได้ถ้าจิตใจเป็นกุศลอยู่เวลาตายไปก็ไปเกิดในสุ ข, ขติถ้าใจเป็นอกุศลมีกิเลสอยู่บ้าง แม้จะนิดๆหน่หน่อยในเวลานั้นเวลาตายก็จะไปเกิดทุกขติที่ท่านอุปมาไว้ว่าวัวแก่แม้จะไม่มีกำลังแต่ถ้าอยู่ปากค อ, อกเมื่อเปิดค อ, อกออกมาวัวตัวนั้นถึงแม้จะแก่ก็ยังได้ออกไปก่อนเพราะอยู่ปากค อ, อกวัวหนุ่มถึงแม้จะมีกำลังมากถ้าอยู่ออก้นคอกก็ต้องออกทีหลัง นี่ต้องหมายถึงคนที่ใกล้จะตายทุกคนเพราะเวลาใกล้าตายไม่มีโอกาสที่จะไปฆ่าทัพย์หรือลักทรัพย์หรือพูดสอดเสียดทางกายวาจาที่เรียกว่ากิเลสอยากได้แต่ท่านจะรักษาใจอย่างไรจึงจะให้ผ่องใสไม่ให้ห่วงใ ย, ยถึงสิ่งต่างๆเช่นผู้ที่ท่านรักและสิ่งของต่างๆที่ท่านยึดถือว่าเป็นของของท่าน เราทุกคนต่างก็รักตัวเองมากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดนี่เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าอาวิชชาความไม่รู้ทำให้รักตัวในทางที่ผิดจากคำสอนทางพระพุทธศาสนาต่างจึงพากันรุ่มรงบำรุงความสุขให้กับตัวเองจนลืมว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดและไปได้แต่กรรมดีกับกรรมชั่วเท่านั้นที่จะนำท่านไปเกิด ตัวตนก็จะเน่าเปื่อยทิ้งอยู่ทรัพย์สินสิ่งของบริวารต่างๆก็จะต้องพลัดพรากจากไปทั้งหมดไม่มีอะไรเอาไว้ได้อีกเลยฉะนั้นก็กน่าจะคิดว่าชีวิตของเราควรจะทำอย่างไรจึงจะได้ไปเกิดในทางที่ดีในชาติต่อๆไปท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าตายไปแล้วไม่อยากเกิดในที่ที่ดี แต่ส่วนมากก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในเรื่องตายแล้วจะไปเกิดอีกแต่ถึงกระนั้นก็ตาม<ๆ>ก็จะทำให้เกิดความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดมากขึ้นนน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นที่ยังไม่แน่ใจก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินว่าคนตายแล้วไปเกิดที่ใดเกิดหรือไม่ทำให้ไม่แน่ใจเมื่อเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมา ก็ควรจะคิดดูว่าสิ่งต่างๆสิ่งมหัศจรรย์ลึกลับต่างๆซึ่งพวกเรายังรู้ไม่ถึงอีกมากมายสุดที่จะพัฒ น, นาแต่ที่เรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรอย่างนี้เราจะถือว่าสิ่งนั้นไม่มีไม่ได้สําหรับผู้มีปัญญาไม่ควรปฏิเสธเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นได้ด้วยตาไม่ใช่ได้ยินได้ด้วยหู แต่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาทีนี้เรามีปัญญาพอแล้วหรือเป็นปัญญาชั้นสูงที่เรียกว่าอภิญญาอภิญญาก็มีหลายอย่างแต่อภิญญาในเรื่องตายแล้วเกิดนี่คืออภิญญาที่รู้ว่าระลึกชาติได้รู้จุดติปฏิสนธิสําหรับพวกเรารู้สึกว่าในเรื่องเป็นเรื่องที่สุดพิสัยที่จะมีปัญญาหรืออภิญญาชนิดนี้ถ้าจําเป็นจะต้องเชื่อ ต้องใช้หลักวิชาในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอุ ป, ปมาณเป็นแผนที่ให้รู้ซึ่งพอจะช่วยชี้ให้จนเกิดความเชื่อมั่นได้สิ่งใดที่เรายังไม่ได้มีความแม่ใจเราไม่ควรปฏิเสธเพราะว่าถ้าไปปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นภัยกับตัวเองขาดประโยชน์ของตัวเองในชีวิตนี้และในชีวิตต่อๆไป อย่าหลงกินบุญเก่าที่ท่านมีความสุขสมบูรณ์ในชาตินี้ก็เพราะบุญเก่าในชาติก่อนๆได้ส่งให้มาหรือสร้างสมมาถ้าไม่สร้างบุญใหม่ไว้ให้สมกับที่ท่านได้กเกิดมาดีแล้วถ้าบุญเก่าหมดต่อไปท่านจะได้อะไรมาเป็นเครื่องบำรุงความสุขถึงแม้ว่าชาตินี้ยังมีอยู่แต่ว่าชาติต่อไปนี่สิจะได้อะไรมาเป็นเครื่องบำรุงความสุขถ้าท่าน เป็นผู้ไม่ประมาทมาก็ควรจะนึกเสียบ้างว่าเราจะได้อะไรมาเป็นเครื่องอุ่นใจแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะผ่องใสมเมื่อเวลาใกล้จะตายทางที่ดีดก็จะต้องมันฝึกจิตให้คุ้นเคยวิธีฝึกก็ให้คอยสังเกตดูความรู้สึกนึกคิดของท่านอยู่เป็นประจำความตายเป็นจริงทั้งในเวลาคิดดีและคิดไม่ดีขณะที่สังเกตดูจิตว่าอยู่ในทางดีหรือชั่ว ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าจิตนั้นเป็นมหากุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเรียกว่ามหากุุลญาณสัมปยุตหรือโยนิโสมนศ ส, สิการจิตที่เป็นกุศลเป็นจิตที่ผ่องใสปัญญาที่รู้ถูกรู้ผิดตามความเป็นจริงจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแห่งชีวิตถ้ามันทำบ่อยๆจะเกิดความชำนานโดยไม่ยากนักทางพระพุทธศาสนา เรียกการกระทำเช่นนั้นว่าจินตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าทำได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องเลือกว่าจะหับตาหรือลืมตาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินแม้แต่เวลาอยู่ในห้องน้ำหรือกำลังพูดกำลังสนทนากันอยู่เราก็ใช้ได้เพราะเราเกิดความชำนาญและความรู้สึกนั้นก็ย่อมจะไวแม้ว่าในเวลาที่ประกอบการงานทุกอย่าง ก็ควรที่จะรู้ตัวว่องไวนี่ก็เป็นธรรมะขั้นธรรมดาสำหรับคนทั่วๆไปที่สามารถปฏิบัติตามได้ยังไม่ถึงธรรมะขั้นสูงการระวังจิตใจและเป็นการป้องกันไม่ให้หลงตัวเองหรือเรียกว่ารู้จักตัวเองสมดังคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าให้มันรู้จักตัวเองเพราะการหลงตัวเองจะเป็นปัจจัย พลอยให้กิเลสอื่นๆตามมาไม่รู้ตัวข้อสําคัญอย่าลืมหมั่นคอยฝึกหัดอยู่บ่อยๆตามที่ได้กล่าวไว้แล้วคอยสังเกตดูความนึกคิดครั้งแรกๆอาจจะนึกได้วันละนิดวันละหน่อยวันละสิบหรือวันละยี่ครั้งแต่ถ้าตั้งใจทําก็จะได้เพิ่มมากขึ้นพยายามเพิ่มความรู้สึกเหล่านี้ให้มากขึ้นทุกวันจนถึงร้อยครั้ง หรือ200ครั้งก็ได้และในที่สุดก็จะติดเป็นนิสัยประจำตัวโดยไม่ต้องคอยระวังมากนักท่านก็จะได้รับความสุขอีกชนิดหนึ่งเพราะได้คลายความยึดถือในสิ่งต่างๆซึ่งจะทำให้เป็นทุกข์เป็นความสุขซึ่งไม่ต้องอาศัยราบยศสรรเสริญสุขหรือรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรมากนักเมื่อต่อไปพอมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็จะรู้สึกตัวได้ทันที และจะทำให้กิเลสนั้นหยุดชะงักหรือเบาบา ง, บางลงได้เพราะจิตที่คอยระวังอยู่เฉพาะที่ความรู้สึกนึกคิดนั้นทำให้ไม่นึกถึงเรื่องไร้สาระซึ่งจะเป็นเหตุให้จิตเกิดความสงบได้พอสมควรและไม่คิดอะไรเกินกว่าเหตุที่จะทำให้จิตนั้นฟุ้งซ่านไปถ้าท่านต้องการจิตชนิดที่จะเกิดความสงบหรือจิตที่เป็นกุศลต้องการเมื่อไหร่ ก็สามารถทําได้ในเวลาอันรวดเร็วกิจชนิดนี้แหละจะเป็นที่พึ่งแก่ทุกๆุกท่านทั้งที่เมื่อยังมีชีวิตอยู่และเมื่อใกล้จะตายเมื่อตายไปแล้วกิจที่เป็นกุศล น, นี้จะเป็นเหตุนําส่งให้ไปเกิดที่ดีมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอย่างแน่นอนดังที่ได้กล่าวแล้วไว้เป็นภาษาบาลีตั้งแต่ต้นฉะนั้น ถ้าได้ฝึกหัดตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วจนเกิดความชํานาญดีใกล้ตายก็สามารถรักษาจิตใจให้ผ่องใสเป็นกุศลได้ไม่ยากถ้าทําได้ดังนี้จึงนับว่าเป็นผู้ที่ว่ายน้ําเป็นถึงเวลาตกน้ําเมื่อไรก็ไม่สําลักน้ําหรือจมน้ําคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นหรือไม่เคยหัดว่ายก็จะกลัวตกน้ํา รองคิดดูให้ดีๆเพราะคนเราเมื่อใกล้จะตายจะได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอารมณ์เวลาใกล้จะตายมีอยู่สามอย่างโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้อารมณ์3าอย่างนั้นท่านเรียกว่า 1. ‑‑กรรมคือนึกถึงการกระทาที่แล้วแล้วมาในทางที่ดีหรือชั่วในเวลาใกล้จะตายสองกรรมนิมิต ปรากฏเป็นมนุภาพเห็นสิ่งที่ตนได้เคยกระทำไว้สองคตินิมิตเห็นที่ที่จะไปเกิดจะไปเกิดที่ดีหรือชั่วก็จะปรากฏให้เห็นก่อนตายแค่นั้นถ้าได้ฝึกหัดตามวิธีดังกล่าวข้างต้นจนเกิดความจำนานดีแล้วเวลาใกล้จะตายก็สามารถรักษาจิตให้ผ่องใสเป็นกุศลได้ไม่ยากนะัก ขณะที่กำลังทำนั้นได้ชื่อว่าได้ทำทั้งศีลสมาธิปัญญาชั่วขณะจิตนั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติถ้าเชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดก็จะได้มีแต่ทางได้ถึงสองต่อคือหนึ่งถ้ายังมีชีวิตอยู่จะได้รับความสุขตามที่เกวแนะนำไว้เพราะจิตใจจะผ่องใสไม่ต้องเสียใจขุนใจในอารมณ์ต่าง ที่ต้องประสบเพราะทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครจะต้องได้พบกับความเศร้าโศกเสียใจ 2. เวลาใกล้จะตายก็จะได้อารมณ์ที่ดีการจะต้องพลัดพากจากคนรักต่างๆหรือสูญเสียสมบัติอันเป็นที่รักจะต้องประสบกับอารมณ์ที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจปรารถนาอะไรแล้วไม่สมปรารถนาในสมอย่างนี้ไม่มีใครหนีพ้น ไม่ว่าจะเป็นคนชั้นไหนในชีวิตของเขาจะต้องได้ประสบกับอารมณ์ในสามอย่างนี้อยู่เสมอเสมอถ้าจิตของท่านเป็นกุศลอยู่เสมออารมณ์สามอย่างนี้ถ้าได้ประสบเขา้าก็จะไม่เป็นเหตุให้ต้องเศร้าโศกเสียใจแค้นใจจะไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรมากนักเวลารู้ตัวว่าจะตายก็จะไม่กลัวตายจนหลงลืมสติเพราะมีกุศลเป็นเครื่องอุ่นใจว่า ตายแล้วจะได้ไปเกิดในที่ดีผลแห่งกุศล น, นั้นก็จะไปคอยตอบสนองอยู่ในชาติต่อไปจึงควรเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดดีกว่าจะไปเชื่อว่าตายแล้วสูญเพราะคนที่คิดว่าตายแล้วสูญพยายามสแสวงหากอบโงยความสุขให้แก่ตนเองมากที่สุดโดยคิดว่าชีวิตเราอยู่ไม่ช้าก็จะถึงความตายเลยพยายามหาความสุข โดยไม่คำนึงถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของวงตระกูลหรือว่าความเดือดร้อนของสังคมหรือประเทศชาติคนพวกนี้จะไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เห็นแก่ตัวเท่านั้นเองไม่มีการเห็นแก่ส่วนรวมเลยถ้าคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดจะทำอะไรก็จะระวังเรื่องเชื่อว่าตายแล้วศูนจึงเป็นวิจาทิสติขนาดหนัก ทางพระพุทธศาสนาไม่เคยสอนไว้ถ้าสําหรับคนที่ยังมีทั้งกิเลสและมีกรรมอยู่จะต้องเกิดอีกอย่างแน่นอนมีแต่ผู้ที่ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นจึงจะสิ้นกรรมตายแล้วไม่ต้องเกิดมารับทุกข์อีกต่อไปผู้ที่เห็นว่าตายแล้วศูนก็มีแต่ทางเสียทั้งในชาตินี้ก็จะอยู่เป็นคนที่ไม่มีใครนิยมนกย่องนับถือและในชาติต่อไป ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอีกต่อหนึ่งถ้าญาติมิตรที่รักของท่านใกล้ที่จะตายจงนำของดีในพระพุทธศาสนาไปมอบให้เพื่อเป็นที่พึ่งพาอาศัยสำหรับเดินทางไปสู่โลกหน้าของดีที่กล่าวนี้ก็คือบุญกุศลต่างๆเท่าที่จะช่วยให้จิตใจของท่านผู้นั้นเกิดกุศลเช่นชวนให้ทำบุญทำทานรักษาศีล หรือพูดแต่ในคุณความดีของท่านผู้นั้นเพื่อให้จิตใจผ่องใสพูดในเรื่องที่จะชักนำให้เกิดกุศลจิตเพราะธรรมชาติของจิตจะเกิดเป็นกุศลหรืออกุศลได้ก็เนื่องมาจากได้รับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนั่นเองไม่ได้มาจากทางอื่นเลยฉะนั้นทางที่ดี ผู้ที่ใกล้ชิดจะต้องคอยระวังอย่าให้ผู้ป่วยได้รับอารมณ์ที่จะกระทบกระเทือนใจซึ่งจะทําให้เกิดเป็นอกุศลได้เป็นอันขาดทีเดียวผู้ป่วยมีความไม่สบายใจในร่างกายอยู่แล้วก็ใจน้อยโกรธง่ายเสียใจง่ายเมื่อได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีอะไรเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเศร้าโศกเสียใจน้อยใจถ้าตายในเวลาอันนั้น เท่ากับส่งผู้ที่เรารักไปสู่ทุกขติไม่สมดังคําบาลีที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเราทุกคนมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ที่เป็นที่รักไปเกิดในที่ดีถ้าเราคอยชักจูงให้ผู้ป่วยเกิดกุศลจิตได้ตั้งแต่ต้นจนตายจะเป็นการตอบสนองบุญคุณอย่างไม่มีอะไรเทียบเท่า ดียิ่งไปกว่าการทาบุญในเวลาปรงศพเสียอีกและตัวท่านเองก็จะได้อานิสงส์ในการกระทาเช่นนั้นมากธรรมะเป็นยารักษาโรคคือกิเลสคนส่วนมากไม่รู้ว่าตัวมีกิเลสจึงไม่ค่อยเอาใจใส่กินยาคือธรรมะหรือถ้าจะกินก้อนนานครั้งหนึ่งแต่กลับชอบกินของสแสลงหาเรื่องกวนใจ ให้จิตใจเป็นอกุศลถ้ายังอดกินของสแสลงไม่ได้ก็ควรหมั่นที่จะกินยาคือธรรมะไว้บ่อยๆเราไม่รู้ตัวว่ากำลังกินของสแสลงอยู่เนื่องจากการอ่อนในการศึกษานั่นเองท่านผู้มีปัญญาลองคิดดูว่าโรคจะหายหรือไม่แต่เมื่อเรายังชอบกินของสแสลงอยู่ยังอดทีเดียวไม่ได้เพราะเป็นของชอบใจ อร็ออร่อยหรือเคยกินมานานแล้วก็ขอให้หมันกินยาไว้อย่าละเลยเสียก็พอจะสู้กับโรคคือกิเลสได้บ้างดีกว่ากินแต่ของแสลงอย่างเดียวไม่ยอมกินยาถ้าท่านทำให้จิตเป็นกุศลได้บ่อยๆยิ่งมากยิ่งดียังจะได้รับผลดีคือเท่ากับได้ทำบุญสะเดาะเคราะห์อยู่เสมอๆผลของกรรมเก่าๆที่จะมาให้ผลแก่ท่าน ก็อาจจะกั้นให้เบาบางลงหรือทำให้หยุดอยู่ก็ได้ขอย้าอีกครั้งหนึ่งเรื่องไปเกิดใหม่เกิดที่ไหนคนอื่นไม่มีทางที่จะรู้ได้เพราะเป็นเรื่องสุดวิสัยของผู้มีปัญญาน้อยจำเป็นจะต้องถือหลักเชื่อในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอนุมาณก็พอจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นได้เพราะสิ่งลึกลับมหศัศจรรย์ที่มนุษย์รู้ยังไม่ถึงนั้นยังมีอีกมาก ที่เราเชื่อกันทุกวันนี้ก็เชื่อกันเพราะเห็นด้วยตาด้วยหูเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่สุดวิสัยของตาหูที่จะไปรู้ไปเห็นได้นั้ น, นยังมีอีกมากมายสิ่งเหล่านั้นจะรู้ได้ด้วยอำนาจของอภิญยาคือรู้จุดติปฏิสนธิระลึกชาติเก่าได้แต่ถึงระนั้นก็ตามยังไม่ควรปฏิเสธสิ่งที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้สาหรับผู้มีปัญญา ไม่ควรจะปฏิเสธถ้าเชื่อแล้วดีเร า, เราควรเชื่อถ้าเชื่อแล้วไม่ดีเร า, เราจึงค่อยปฏิเสธและจะต้องคิดดูว่าการเชื่อทําให้เราดีดก็ควรเชื่อไว้ก่อนท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนอำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยจงดนบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านจงมีความสุขในการปฏิบัติตามคําสอนของพระบรมศาสดา โดยถูกต้องแท้จริงด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขของท่านเองทั้งในภพนี้และภพหน้าทุกๆ ท, ท่านเทิน บทความดังกล่าวนี้เป็นบทความของคุณหญิงระเบียบสุนทนรฤทษิ์ิบ้านเลขที่226ทับ8วัดท่าพระถนนเพช ร, กรเกษมกรุงเทพมหานครเราได้นำมาเสนอต่อท่านผู้ฟังเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรช่วยกันเผยแพร่จึงขออนุโมทนากับผู้ที่เขียนไว้ณที่นี้ด้วย